การปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นการทวนกระแสของกิเลสเพราะฉะนั้นมันจึงทำได้ยากตามธรรมดาแล้วคนเรานี่มันตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา เอากิเลสตัณหาว่ากิเลสตัณหามันบังคับให้ทำอย่างไรพูดอย่างไรก็ไปตามมันถ้าอย่างนั้นแล้วก็สบายดีถือว่าเป็นความสบายแต่ที่แท้แล้วมันถูกมายาของกิเลสย้อมจิตเอา ทีแรกมันก็สบายนั่นนี่ทาทาตามอำนาจของกิเลสตัณหานี่จนเมื่อเวลามันอำนวยผลให้นั่นสินั่นแหละมันก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแก้ก็ไม่ตกเพราะว่าถลำลึกเข้าไปแล้วดังนั้นให้พึ่งพากัน เข้าใจว่าการปฏิบัติทรรมนี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายนักแล้วก็มันก็ไม่ยากนักพอทำได้สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหานั่นแหละจึงพอใจทำผู้ใดไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหา ผู้นั้นก็จะไม่พอใจปฏิบัติธรรมไม่พอใจฝึกตนไม่ยอมอดยอมทนสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาเขาว่าไม่เห็นโทษของมันนี่แล้วก็ตนก็ไม่มีกำลังใจอะนรเพราะไม่ได้ทำกุศลคุณงามความดีอะไร ให้เป็นกำลังใจคนเรานะที่จะมีกำลังใจเข้มแข็งสามารถต่อสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาได้เมื่อก็ต้องมีบุญนะต้องทำบุญต้องสั่งสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจหลายด้านหลายทางเช่นพูกคลองเลือนอย่างนี้ ก็ต้องอาศัยการให้การบริจาคทานอันนั้นเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งอาศัยการรักษาศีลสำรวมกายวาจาของตนให้เรียบร้อยอย่าให้ไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนอย่างนี้นะ การกระทำความดีหลายๆอย่างนอกจากการรักษาศีล น, นี่แล้วก็ทำข้อวัดปฏิบัติอย่างอื่นเช่นเป็นคารืหัดนี่ก็ต้องดูแลวัดวาศาสนาช่วยกันอุปธรมบำรุงช่วยกันซ่อมแซมปฏิสังขรณ์เสนาสนะ อันเป็นที่อยู่อาศัยของภิกษุสามเณรและอื่นๆ อ, อีกสิ่งใดที่ควรทำเราก็ทำลงไปล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรอย่างนี้นอกจากการสํารวมศีลสํารวมอินทรีย์ นี่แล้วแล้วก็ทำข้อวัดปฏิบัติอื่นอีกทำกิจวัตรต่างๆเกี่ยวกับการดูแลวัดว่าอารามทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆหมู่นี้ช่วยกันจัดช่วยกันทำเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ ใจมันก็ไม่ได้เพลินออกไปข้างนอกแต่ถ้าเราเอาใจจดจ่ออยู่ในข้อปฏิบัติมเนเช่นอุปชายวัดอาจารยวัดโมนเนเสนาสนวัดอาคันตุกะวัดการต้อนรับป่าใสอาคันตุกะที่ไปมาหาสู โมนีิรุนแต่เป็นการกระทำความดีทั้งนั้นเลยเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นถ้าหากว่ามันไม่เป็นประโยชน์อย่างว่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงวางระเบียบไว้ที่พระองค์ทรงวางระเบียบไว้ให้พุทธบริษัทปฏิบัติตามนั้นก็เพราะเรง่เรงเห็นอำนาจประโยชน์แล้ว เมื่อพุทธบริษัทได้บำเพ็ญกรณียกิจดังกล่าวมานี้ไม่ท้อไม่ถอยบุญก็ย่อมจเจริญขึ้นในจิตใจเมื่อบุญจเจริญขึ้นในจิตใจแล้วทำให้ใจนี่เข้มแข็งอยู่ในความดีแบบนี้นะชอบแต่ความดีไม่ชอบความชั่ว ม, มันมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าการที่กายวาจามันไปทําความดีอย่างว่านั้นมันก็ออกไปจากใจนี่เมื่อใจมันชอบความดีแล้วมันจึงได้ใช้กายทําใช้วาจาพูดไปดังนั้นเมื่อใจชอบความดีใช้กายวาจาทําไปอย่างนั้นแล้วมันก็ดีใจสี่คนเราเมื่อตอนได้ทําการงานอันมันเป็นประโยชน์ อย่างว่านี่นะแล้วมันนึกถึงการงานที่ทำนั้นว่ามองเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆอย่างนี้กดดีอกดีใจใจเบิกบานขึ้นมาคนเราถ้าใจเบิกบานขึ้นมาแล้วก็มีความสุขนั่นเลยนี่แหละการสั่งสมบุญกุศลให้เป็นกำลังใจ เพื่อเราจะได้เจริญสมาธิภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปเราก็ต้องอาศัยการสะสมความดีต่างๆเหล่านี้ไว้ในใจให้เป็นกำลังใจก่อนมันจึงจะสู้กับมารคือกิเลสอย่างกลางอย่างละเอียดนั้นต่อไปได้ถ้าไม่มีกำลัง บุญกุศลเข้าช่วยแล้วมันสู้ไม่ได้นั่นเอบางคนก็ น, นั่งภาวนาไปไม่ได้อะไรเลยมีจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปทั่วพิภพหาความสงบไม่ได้อันมูนี้ก็เพราะว่าประมาทความดีที่ตนทำเมื่อตนทำความดีอะไรแล้วไม่ ไม่น้อมเข้าสู่จิตใจไม่รับรู้ความดีที่ตนทำด้วยกายด้วยวาจาทำไปเฉยแต่ใจนั้นเพลินไปในเรื่องอื่นนู่นแต่กายวาจานั้นทำอยู่ทำความดีอยู่ไปแต่ว่าใจมันเพลินไปในเรื่องอื่นนู่นไม่น้อมรับเอาความดีที่ตนกำลังทำอยู่ ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วเป็นนั่งภาวนาเข้าไปนะ่ะใจมันจะสงบได้อย่างไรอ่ะเพราะใจมันยึดอารมณ์อันไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรไว้พอแรงแล้วเช่นนั้นนะ่ะมันจึงระงับใจลงให้สงบไม่ได้ถ้าผู้ใดทําความดีอะไรก็กําหนดรู้ความดีที่ตนทํานั้นทุกระยะไปเลย สำรวมใจให้ยินดีปิติอยู่ในการกระทําของตอนนั้นไม่ให้มันเพลินไปทางอื่นตนพูดอะไรเรื่องอะไรออกับใครที่ไหนก็มีสติสำรวมจิตใจอยู่ไม่ให้หลงไม่ให้เพลินไปตามเรื่องราวที่พูดนั้นทำความรู้เท่า เรื่องราวต่างๆที่พูดไปนั้นมันไม่มันก็สักแต่ว่าพูดไปแต่ก็เลือกพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่แล้วเราก็รู้เท่าอีกแม้เราจะพูดดีเท่าใดก็ตามคนจะยกย่องสรรเสริญยังไงก็ช่างเราก็ไม่เพิดเพลินไม่หลงไม่เมาไปตามเรื่องราวที่พูดนะั้น พูดแล้วก็แล้วไปอา่าเป็นประโยชน์ก็เป็นไปไม่เป็นก็แล้วไปเราต้องตามรู้เท่าอย่างนี้เมื่อเราตามรู้เท่าอยู่อย่างนี้ใจมันก็ไม่ได้เผลไปทางอื่นมันก็จดจ่ออยู่ในกุศลธรรมที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจนั้น ดังเช่นในอนุสติสิบนั่นน่ะพระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกเอถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งทีละลึกระลึกถึงทานการกุศลที่ตนได้กระทําบําเพ็ญมาโมนี้ระลึกถึงศีลที่ตนได้สํารวมระวังมาเป็นอารมณ์ยหมนี้นะ ระลึกไปจนตลอดถึงคุณแห่งพระนิพพานอันเป็นเครื่องระงับดับทุกทางกิจใจได้โดยประการทั้งปวงความระลึกเหล่านี้มันเป็นความระลึกที่ประกอบไปด้วยบุญกุศลพระพุทธเจ้าก็จจิงได้ทรงสอนให้ระลึกนั่นเอง เมื่อความดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็ทำใจให้หนักแน่นให้เบิกบานอย่างที่ว่านั่น เ, นเพ่งใจที่เบิกบานอยู่นั่นเข้าไปใจมันก็ส ง, งบลงแบบ น, นี้นะถ้าใจวุ่นวายเราร้อนอยู่เนี่ยเราจะไปเพ่งอย่างไรมันก็ไม่เย็นลงให้ได้ดังนั้นต้องหาอุบาย นึกถึงความดีให้เกิดขึ้นในใจซะก่อนเมื่อใจมันได้รับรู้ความดีที่เราทำมานั่นเนี่ยหรือว่ารับรู้คุณอันประเสริฐที่เราเขารกนับถือบูชาอยู่เสมออย่างว่านี่นะใจมันก็เบิกบานขึ้นมาอย่างว่านั่นเลยนี่เมื่อมันใจเบิกบานขึ้นมาแล้วมันก็ ทิ้งอารมณ์ที่เราร้อนต่างๆวันนั้นไปใจมันก็เย็นลงนั่นแหละเมื่อใจเย็นลงแล้วก็เพ่งใจนั้นเข้าไปมันก็สงบลงไปอย่างง่ายๆแบบนี้นะเราก็ได้ต่อสู้ตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละเมื่อ อารมณ์อันก่อให้เกิดความเร่าร้อนรุนรานนะมันลงนับลงไปแล้วมันก็ง่ายแบบ น, นี้นะการน้อมจิตลงสู่ความสงบนั่นนะมันก็ไม่ลำบากนี่ให้พากันเข้าใจอุบายทำใจให้สงบนี่มันก็ต้องมีหลายวิธีอยู่บ้างเลยไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงแสดงกรรมาฐานไว้ตั้งหลายข้อ ที่หลายข้อนั่นก็เพราะว่าจริตของคนเรานี่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันจริงๆทีนี้เมื่อบางคน่ะเอาบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปใจก็รวมลงได้บางคนบริกรรมพุทธโธเข้าไปใจไม่รวมลงไม่สงบลงได้ก็มี เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อนึกพุโทโธใจมันสงบลงไม่ได้ก็พิจารณาดูเป็นเพราะอะไรหนอใจจึงสงบไม่ได้นึกพุโทโธเนี่เมื่อเพ่งพิจารณาดูมันก็ต้องรู้ได้รู้ได้ว่าปกติใจนี่มันฟุ้งซ่านมันคิดอยู่แล้ว มันคิดไปในเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่แล้วทีนี้ก็ไปไปนึกคิดพุทโธเข้าไปมันก็ส่งเสริมความคิดให้มากขึ้นมันจึงสงบลงไม่ได้ทำอย่างไรบ้นี้ก็ต้องเพ่งลมหายใจเข้าออกนั่นแหละผู้ใดเป็นอย่างนั้นนี่เปลี่ยนจากพุทโธมาเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ เข้าไปไม่นึกคิดอะไรเป็นแต่กำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เท่านั้นระวังสติอย่าให้เผลอจากลมหายใจเข้าออกเมื่อสติมันเข้มแข็งมันไม่เผลอจากลมหายใจเข้าออกนั่นแล้วจิตนี้เมื่อมันไม่คิดไม่ปรงแต่งไปเหมือนแต่ก่อนแล้วมันก็ค่อยสงบลงมันเป็นอย่างานั้นเลยงมันนะ บางคนก็มีใจเหือกเขิมไม่กลัวต่อความทุกข์ความยากความลำบากในโลกสงสารอันนี้เป็นธาตุแห่งตันหาอย่างนี้เราจะไปเจริญกรรมฐานเพียงเบาๆอย่างนี้มันก็มันไม่ลงอ่ะจิตตีมันถูกตันหาย้อมใจ ให้เพลินให้เมาอย่างนั้นแล้วก็ต้องใช้อุบายอันเฉียบขาดเตือนจิตตัวเองเข้าไปเช่นจเจริญมรณาสติกรรมรฐานอย่างนี้นะเนึกถึงความตายนั่นชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนแล้วจะตายวันไหนก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกให้ทราบเลย ดังนั้นจึงไม่ควรเพลินไม่ควรเมาเพราะว่าการเพลินนี่ไม่ใช่เพลินไปอย่างอื่นหรอกก็เพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนี้เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดทีนี้เมื่อมานึกถึงชีวิตนี่ว่าเป็นของใบเที่ยงไม่ยังยืน แล้วมานึกถึงอายุสังขารนี่ก็น้อยเต็มทีไม่ใช่ว่ามากมายอะไรเดี๋ยวก็แตกดับทำลายไปเมื่อมานึกพิจารณาดูชีวิตความเป็นอยู่นี่มีน้อยนิดเดียวเช่นนี้แล้วใจมันก็จะคลายจากความมัวเมาความพเพลิดเพลินต่งตางๆอย่างนั้นลงไม่ทราบว่า จะโมเมาไปทำไม ร, รูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันกับร่างกายนี่แหละมีความเกิดขึ้นมีความแปรปรวนไปมีความแตกดับเหมือนกันแล้วเพื่อเป็นเช่นนี้ทำไมยัง ไ, งไปเพลินไปเมาหนักหนาเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะ เมื่อสติมันเตือนใจได้อย่างนี้ใจเ ล, ลึกได้พิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็สังเวชสลดใจลงแล้ววันนี้นะเออเป็นความจริงรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเหล่านั้นมันก็แตกก็ดับเหมือน ก, นกันกับรูปร่างกายอันนี้ออไม่ทราบว่าจะเมาไปทำไมอ่ะไม่ควรเลยตนเองสอนตัวเองเตือนตัวเอง เข้าไปเสมอเสมออย่างนี้นะแล้วใจมันก็ค่อยคลายความพอใจยินดีในของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเหล่านั้นไปเรื่อยๆมันต้องมีอุบายเยียบคายอย่างนี้การเจริญพระกรรมฐานนี่นะเมื่อเราเจริญอย่างหนึ่งแล้วมันไม่ได้ผลเช่นนี้ก็ เลี่ยนไปเจริญอีกอย่างหนึง่งเมื่อเจริญอย่างใดไปแล้วมันได้ความสังเวชสะรถใจได้ความเบื่อหน่ายมันก็เป็ น, นันว่าใ่ได้เมื่อมันเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดความถือในเรื่องเหล่านั้นลงจิตใจมันก็รวมลงได้นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะ บางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันเหกเขิมนึกว่าตนนนั้นจะไม่ตายง่ายตนมีกาลังเรียวแรงดีแข็งแรงคงไม่ตายง่ายขอนึกอย่างนี้ล้วก็เพลินก็เมาไปถ้าเป็นคารืหัดอย่างนี้ก็เพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสยิ่งยิ่งขึ้นไปจนลืมตัว จนลืมทํากิจบ้านการเรือนไปก็มีบางคนนะเที่ยวไปแล้วก็นอนทั่วไปพอได้ที่นอนตรงไี้กับ น, นอนไปตรงนั้นคบเพื่อน เ, อเลื่อยเปื่อยไปไม่หวนนึกถึงการงานไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตนตนมีหน้าที่การงานอย่างไร รับผิดชอบในครอบครัวอย่างไรก็ไม่คํานึงถึงถ้าแถมได้ดื่มเหล้าสุราเมลัยเหล่านั้นเข้าไปแล้วก็ยิ่งเมาใหญ่เลยฮะเมารักเมาใครก็เมาขอแรงแล้วมา น, นิพพ์เต ด, ดื่มสุราเมลัยนั้นเข้าไปเติมความเมาเข้าไปอีกแล้วก็ยิ่งไปใหญ่เลยแบบนี้เนี่ย ข้อนี้แหละมันเป็นทางแห่งความเสื่อมแห่งชีวิตคนเราเกิดมาในโลกนี้ที่ถึงซึ่งความเตื่อมก็เพราะความเมาความเพลินนี้เองอไม่นึกถึงชีวิตนี่บอมันจะเที่ยงยั่งยืนไปแค่ไหนไม่คํานึงเลยคํานึงถึงตั้งแต่ สิ่งที่จะให้เกิดความล่าเริงบันเทิงใจก็าถือว่าเป็นความสุขถ้าได้ปล่อยใจให้ลื่นเริ ง, เรงบันเทิงไปอย่างนั้นแล้วนะถือว่าเป็นความสุขนี่เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี่นะเป็นเสนาของมาร น, นั่นแหละคือเป็นบริวารของกิเลสกรรม นั่นแหละเป็นการสนับสนุส น, นกิเลสกรรมให้หนาแน่นขึ้นในใจถ้าใจไปกำหนัดยินดีในโรคเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสเหล่านั้นเข้าไปแล้วมันก็ทำให้ความกำหนัดยินดีในจิตใจนี่แรงกล้าขึ้นไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นคราวนี้ลืมตัวไปแล้ว ถ้าใครมาขัดขวางก็เป็นนั้นว่ะลงประหัดประหารกันไปเลยอืบางทีก็ตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายบางทีก็ฝ่ายหนึ่งตายลงไปเอา้าฝ่ายหนึ่งก็ไปติดตารางนี่แหละโทษแห่งความหลงความเมาของเพลินบางคนก็ว่าเป็นธรรมดาคนหนุ่มคนสาวมันก็ต้องเพิดเพลินอย่างนี้เลย เรื่องของความเป็นคนหนุ่มคนสาวถ้าใครไม่เพลิดเพลินล่าเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวจะไปถือกันไปอย่างนั่นเรื่องมันนะจริงอยู่การเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันก็เพลิดเพลินแหละแต่ว่าต้องรู้จักประมาณอย่าให้เกินขอบเขต อย่างนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตใจอย่าให้เลยขอบเขตไปจนเป็นเหตุให้เสียการเสียงานจนเป็นเหตุให้เกิ ด, กดทะเลาะวิวาทกันทำร้ายซึ่งกันและกันไปนั่นเรียกว่ามันเลยขอบเขตไปถ้าหากควาเพลิดเพลินไม่เลยขอบเขตไปอย่างนั้น มันก็ไม่ให้โทษเท่าไรนักนี่แหละบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันรู้จักประมาณในความเพลินความเมาเหล่านี้ถ้าให้ดีแล้วเราควรมาเพลินไปในกุศลธรรมดีกว่าเราพร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลธรรมไม่เกิดขึ้นในใจ แล้ววันนี้เราพิจารณาเห็นบุญกุศลความดีที่ตนกระทํามานี่แล้วเห็นว่าเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญจริงๆเช่นนี้ก็เกิดความร่าเริงบันเทิงใจในคุณงามความดีของตนอย่างนี้ท่านเรียกจัดว่าเป็นกุศลกรรมมาวาจรก็ยังขอจะเป็นหนทางที่จะให้ ได้รับความสุขสูงขึ้นไปได้อยเมื่อบคุคคลใดมาลื่นเลิงบันเทิงในกุศลความดีที่ตนทำเมื่อพิจารณาเห็นว่าบุญกุศลความดีที่เราทำมาเท่านี้ยังไม่พอมันยังน้อยโยเช่นนี้ก็พยายามภาคเทียนให้ยิ่งขึ้นไปความสำรวมก็ให้ยิ่งขึ้นไป นี่เช่นการสำรวมอินทรีย์อย่างนี้นะสำรวมตาหูจมูกลิน้นกายใจนี่ก็ให้มีสติให้แก่กล้าไปเรื่อยๆคอยระมัดระวังเมื่อเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นเหล่านั้น mm. ก็อย่าให้มันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาครอบงามจิตใจได้ความสำรวมอินทรีย์ อย่างว่านี่แหละมันก็ทำให้จิตใจเป็นปกติอยู่ได้รักษาสมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าใครไม่สำรวมอินทรีย์นี่แล้วจะรักษาสมาธิไว้ไม่ได้นี่ต้องให้เข้าใจดังนั้นแหละในปริสุทธิสินสีนั่น พระองค์เจ้าจึงสอนให้สำรวมในอินทรีย์ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่ไม่มากไม่น้อยแต่พอควรตั้งใจประกอบความเพียรพยายามชำละใจให้พองใสจากกิเลสปาประธรรมอย่าไปเห็นเกรลับเกนอนมากเกินประมาณการพิจารณาปัจจัยสีอ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมเราจะบริโภคปัจจัยอันใดเช่นบริโภคอาหารก็พิจารณาเรื่องอาหารให้รู้เท่าอาหารอย่าให้มันไปยินดียินร้ายกับรสชาติของอาหารเอาได้ผ้าได้พรอมานุ่งห่มก็พิจารณาให้รู้เท่าผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านั้น ไม่ใช่เป็นของกิรังยั่งยืนอะไรแม้จะสวยงามอย่างไรเมื่อนุ่งห่มเข้าไปเหนือใครซึมออกไปนานเข้ามันก็เศ้าหมองเข้าไปมันจะไม่สะอาดสดสวยอยู่เหมือนเดิมแล้วด้ที่สุดมันก็ขาดไปนี่การพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้ว มันก็ไม่ยินดียินร้ายกับผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านั้นแม้จะเป็นผ้าเก่าหรือผ้าใหม่ก็ตามก็มีจิตสม่ำเสมอไปตลอดถึงที่อยู่ที่อาศัยบางคนมีเงินมีทองสร้างอาคารบ้านช่องขึ้นมีเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับอำนวยความสะดวกสบายให้มากมาย แล้วก็หลงก็ติดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในที่อยู่ที่อาศัยนั้นนอนหลับนอนไหลไม่รู้จักตื่นออย่างนี้ก็ท่านเรียก ว, ว่ามันติดมันหลงในที่อยู่ที่อาศัยแต่ถ้าได้พิจารณาก่อนบริโภคเสนาอาที่อยู่ที่อาศัยเหล่านั้นมันก็ไม่ติดที่อยู่เหล่านั้นถึงแม้จะ ถ้าอาดสะอา้ะอานจะอ่อนนุ่มนิ่มอย่างไรก็ตามเมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนแล้วเวลาร่างกายนี้มันวิบัติลงที่นอนหมอนมุ้งเหล่านั้นไม่เป็นที่สบายเลยมันเจ็บมันปวดซารพัดออย่างนี้เลยแต่ถ้าหากว่าร่างกายนี้เป็นปกติก็สบายอยู่ แต่ร่างการนี้มีบาดลงมันก็ไม่สบายแล้วเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับที่นั่งที่นอนเหล่านั้น <c oughs> ยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหัวนี้ก็เหมือนกันก่อนจะรับประทานยาอะไรก็พิจารณาเสียก่อน รับประทานยานี้ก็เพื่อบำบัดโรคไอไข้เจ็บที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ให้บรรเทาเบาวางไปเท่านั้นไม่ใช่เรารับประทานยานี้เพื่อบำรุงร่างกายให้อ้วนท้วนให้สวยให้งามต่างต่างพวกนี้ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นถ้าไปมุ่งอย่างนั้นก็เป็นกิเลสเป็นโทษการรับประทานยา ไม่ว่านักปวดไมว่าคัหัดเหมือนกันเมื่อพิจารณาให้รู้เท่าแล้วอย่างนี้ก็จึงรับทานยาเหล่านั้นเข้าไปมันก็ไม่ให้โทษบันนี้นั่นเลยยาเหล่านั้นมันก็ไปทาหน้าที่บาบัดโรคภัยให้เบาบางออกไปจากร่างกายก็ค่อยมีกำลังเรียวแรงประกอบผูชนคุณงามความดีไป อันปัจจัยสี่เนี่ยจําเป็นต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ทุนก็คนเราเนี่มันก็มันหลงอยู่ในปัจจัยสี่นี่แหละสําคัญอยู่เพราะว่ามันได้อาศัยมันอยู่ตลอดเวลาไปดังนั้นถ้าไม่พิจารณาให้แจ่มแจ้งในใจตามเป็นจริงแล้วมันก็หลงก็ติดจริงๆ อย่างที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้นะถ้าเคยได้อยู่อาศัยที่ดีๆแล้วพอเมื่อได้ไปอาศัยที่ไม่ดีเข้าไปแบบนี้ก็หงุดหิดแล้วอไม่พอใจแล้วอุ่นวายภายในจิตใจแล้วนอนก็ไม่หลับไออย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าติดแลวติดที่อยู่ที่อาศัยมันก็เป็นกิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย เมื่อรวมลงแล้วเขาก็อยู่ในปัจจัยสี่นี่เองเนี่ยดังนั้นอย่าพากันล่าเลยผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องพิจารณาให้มันเจมแจ้งในใจรวมความแล้วว่าเราอาศัยปัจจัยสี่นี้บำรุงร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ไปได้พอได้ ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนเท่านั้นไม่ได้บำรุงร่างกายด้วยปัจจัยสี่นี้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นเพราะว่าเรายังสั่งสมบุญกุศลยังไม่มากพอยังไม่เต็มดังนั้นเราจึงค้นจากกิเลสตัณหาไปไม่ได้ พ้นได้กับ้นได้เป็นบางสิ่งบางอย่างแต่บางอย่างก็ยังค้นมันจากอำนาจของมันไปไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะบุญของเราเมายังน้อยอยู่นี่ก็ต้องให้สอนตนเตือนตนอย่างนี้ดังนั้นเรารักษา ร, ร่างกายอันนี้ไว้ก็เพื่อสั่งสมบุญกุศลอันเกี่ยวแก่การให้ทานบ้าง การรักษาสินห้าสินแปดสินอุโบสถหรือสิน 10, สิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดตามเทศตามวัยตามภูมิของตนของตนอย่างนี้การเจริญสรมาติปัศนาโมนีกระรวนตั้งแต่ได้อาศัยร่างกายอันนี้ถ้าร่างกายอันนี้วิบัติขัดข้องขึ้นมาแล้ว การเจริญสมถะวิปัสนาอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่สะดวกไม่ได้เต็มที่ผู้ที่จะเจริญสมถะและวิปัสนานี้ให้เจริญงอกงามขึ้นได้ก็ต้องอาศัยกำลังรลี่วแรงนี้แหละอาศัยร่างกายเป็นปกติไม่เจ็บไม่ไข้ไม่อ่อนเพลียเช่นเดินจงกรมก็เดินได้ นานพอสมควรทีเดียวนั่งสมาธิคนนั่งได้นานพอสมควรนอนก็นอนพอประมาณโมนี่มันเมื่อเรามีร่างกายเป็นปกติดีแล้วนี่เราทำความเพียรได้สม่ำเสมอ <c oughs> ทำบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจนี้ได้เต็มที่เลยเพราะการภาวนาก็เป็นบุญเป็นกุศลนี่อไม่ใช่ว่าไม่เป็นบุญกุศลนะเป็นกุศลชั้นสูงการภาวนานี่นะดังนั้นผู้ใดมั่นขยันภาวนามากไปเท่าไรบุญกุศลก็ยิ่งเจริญมากเท่านั้นออ เมื่อบุญกุศลเจริญมากเขาไปแสดงปัญญาก็ย่อมเจริญขึ้นนี่มันเป็นอย่างนั้นมันมันส่งต่อกันไปอย่างนี้การบำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธศาสนานี่นะให้เข้าใจในการรักษาศีลกับการเจริญภาวนาเนี่ยนี่แปลว่าเราต้องทําเป็นนิดไปเลย ต้องมีสติสัมปชัญญะประกับประคองจิตให้ตั้งมั่นไปเรื่อยไปเม่ให้พลังให้เผลอไอ้ส่วนการให้ทานนั้นเราให้ได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่จัดจะไปให้ทุกวันทุกเวลาไปไม่ได้อันนั้นนะส่วนรักษาศีล น, นี่มันต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังความประพฤต ทางกายทางวาจาเสมอเสมอไปเป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วสักหน่อยศีลก็ขาดหรือว่าศีลก็ด่างพร้อยไปถ้าเผลอจติตเข้าไปแล้วนะการทำการพูดอะไรก็มักจะผิดพลาดไปแหละดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอทีเดียว啊 เหตุนั้นกนะารรักษาศีลท่านจึงกล่าวว่าก็คือรักษาจัญยามรยยัติทางกายทางวาจาหรือว่าการสำรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจโมนิล้วนแต่สนับสนุนศีลให้บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยใครเพิ่งใส่ใจเรื่องศีลให้มากบรรดาพุทธ ภส า, าสนิกชนผู้มีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนานี้อย่าไปพอใจอยู่แต่การให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านั้นแล้วทางศีลนั้นไม่ค่อยเอื้อเฟื้ออย่างนี้นับว่าเป็นความเข้าใจไม่ไม่ถูกท่วนเข้าใจได้เป็นบางแง่บางมุมเท่านั้นนั่นเลย เหมือนอย่างที่เราขึ้นบันไดก่ที่แรกเราก็ย่างเหยียบขั้นที่หนึ่งแล้วใครจะไปยืนอยู่แต่ในขั้นที่หนึ่งนั้นตลอดไปหรือไม่มีเมื่อเหยียบขั้นที่หนึ่งกก้าวขึ้นไปขั้นที่สองที่สามไปเร่ยลาดับจนกว่าจะถึงจนกว่าจะถึงพื้นที่นั่งที่นอนบนเรือน อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยข้อปฏิบัตินี่เราต้องพยายามบำเพ็ญให้สัมพันธ์กันไปให้ได้อย่าไปให้มันบุกร่องเมื่อทานมีแล้วศีลก็ต้องมีเมื่อศีลมีแล้วก็ต้องให้มีภาวนาภาวนากฎณีการรักษาศีล น, นี่เป็นอาการลิโก ไม่อ้างการอ้างเวลาเวลาไหนนาทีไหนก็ให้กำหนดรู้ว่าเรามีสินอยู่เสมอเวลาไหนก็ให้กำหนดรู้ว่าเรามีภาวนาอยู่เรามองเห็นร่างกายสังขารนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอกระหมายถึงจิตนั่นแหละมันกำหนดรู้กำหนดเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้า 4, 5, อันนี้ อยู่เสมอไปนี่เรียกว่าเรากําหนดรู้ตัวเองว่าตนเองมีภาวนาอยู่เงั้นไม่ใช่ว่าพอที่จะเ อ, อนั่งสมาธิภาวนาคือจึงค่อยนึกถึงจิตจึงค่อยสํารวมจิตอย่างนี้ไม่ทันกับทีเลสไม่ทันกับความหลงเ อ, อ, อย่างเงี้ย เราต้องกําหนดรู้กําหนดเห็นต่อเนื่องกันไปไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนหากําหนดรู้กําหนดเห็นความจริงของสังขารร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั่นทั้งที่เป็นส่วนรูปทั้งที่เป็นส่วนนามธรรมามือนี้กําหนดรู้กําหนดเห็นว่ามันมีเกิดขึ้นมีดับไปอยู่อย่างนั่นเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนสภาพของร่างกายสังขาร น, นี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช้ปัญญาสอนใจเตือนใจนี่อยู่เสมอเสมอไปเออใจนี่เมื่อปัญญาสอนเข้าไปเตือนเข้าไปมันก็รู้มันก็เห็นเอแจมแจ้งขึ้นมาอยู่เรื่อยนั่น เมื่อมันรู้มันเห็นติดต่อกันไปอย่างนี้ไอ้ความหลงมันก็โผล่หน้าขึ้นมาไม่ได้เลยความรู้มันเกิดขึ้นแทนมันนี่ความหลงหายไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อพากันได้สดัระ ด, ด, ดับฟังแล้วเพิ่งพากันตั้งอยู่ในอัปมาต ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทอุตสาพยายามประพฤติปฏิบัติ ตามธรรมะที่ได้บรรยายให้ฟังมานี้ให้เต็มความสามารถของตนของตนก็คงจะได้รับผลเป็นที่พออกพอใจของตนคือได้แก่ความสงบสุขอันเป็นแก่นสารดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้